นะรทำเนาะเพื่อเป็นสนประกอบกับการปฏิจัมเป็นเหมือนกับเตรียมปายก่อนแต่งก็จำเป็นเตรียมน้ำก่อนแรงก็จำเป็นเพราะเราจะต้องใช้จริงเหล่านี้ ควาเพียรเป็นจิตต้องทํำในวันนี้เราไม่รู้ว่าความตายจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าจะต้องเตรียมไว้เหมือนเรากินข้าวหิวข้าวก็ต้องเตรียมข้าวเหยื่าหารมีข้าวเวลาหิวก็จะได้กินข้าวจะได้อิม่ม กายใจของเรานี่ก็เช่นกันเวลาหลงก็จะได้ไม่หลงเว่าเข้าอาหารใจอาหารใจเวลาทุกข์ก็จะไม่ทุกข์ถ้ามีสติเนีมีสติไปในกายในใจเหมือนกับการเตรียมพร้อม อาหารใจคือสติแม่ลูกที่เละครั้งยังไม่อิม่มเหมือนการกินข้าวแต่และคําอาจจะยังไม่อิม่มแต่ถ้าเกี่ยวจัเกินไปเรื่อยมัน ก, ก็อิ่มเป็นจนแรกก็หิวหิวข้าวหิวข้าวแต่ไม่กินข้าวมัน ก, ก็ไม่อิม่มสตีมัน ก, ก็ฝัน เวลาเราหิวข้าวเราฝันว่าได้กินข้าวมันก็ไม่อิ่มเลยเพราะเพียงแต่ฝันชีวิตของเราก็เช่นกันจามัวแต่ฝันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ยังไม่ใช่ต้องสัมผัสเราก็มีกายมีใจสามารถสัมผัสได้กับความรู้สึกตัวเนี่ย จนเป็นเป็นมหาลู่มวมมากในความลู่มันก็จะเกิดอะไรขึ้นมาหลายอย่างความอิ่มใจไม่ความสุขใจไม่ความสบายใจไม่ความเต็มใจเมื่อคนกินข้าวอิ่มแล้วความอิม่มจากการกินข้าวอธิบายไม่ได้ความอิ่มเป็นอย่างไรความหิวเป็นอย่างไร สำหรับผู้หิ ว, วลู้เองสำหรับผู้อิมก็ลู้เองไม่จะต่างกันอยู่ระหว่างอะไรที่เกิดขึ้นกกายกับใจมากมายหลายอย่างเวลาเรามีสติจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ความลู่สิ่งที่ไม่ใช่สติจะได้ลู้จะได้เปลี่ยนมาเป็นความลู้สึกตัวซะ มาทางนี้ออกทางนี้มันจึงจะอิ่มเป็นจึงจะเพียงพอแล้วก็ํำได้ทุกคนเกิดมานานแล้วเมื่อเกิดเราจรึงข้าวตรงมีข้าวมีอาหารก็เป็นอย่างนี้มาทุกครอบครัวทุกคู่ทุกคน คนที่หาอาหารไม่ได้ก็มีผู้หามาให้กินเป็นพ่อแม่หาอาหารเตรียมมาให้ลูกเวลาหิวข้าก็จะได้กินก็เป็นมานานแล้วเรื่องอย่างนี้มันก็มีความจำเป็น พวกคนพวกเปลียดข้าเย่อมอยู่เป็นทุกข์ย่อมเพิดเพลินในการมักคุณมัวเมาอยู่ในอกุศลและทำบรราบกทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่รู้จักอิ่มหิวหิวในโลกหิวในโรดของโลกต้องยืดที่ยานอยาก ถ้งที่เป็นความคิดพอให้เราได้หลงเมื่อกิดคิดไปเช่นนั้นก็เพื่อเพลินก็หวงกันไม่ไม่เจริญเสื่อมเป็นความเสื่อมบุคคลผู้หวังความเจริญแก่ตนแล้วก็ต้องฝึกตนสอนตน วิธีฝึกก็มีหลายอย่างมีมานานแล้วโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวเนี่ยม <c oughs> ันเหมือนกับได้เคี่ยวอาหารเกินลงไปติละคำละทีเดียวละ่ะแล้วหิวข้าวการทำ ม, มากอื่นจะเป็นการฝันเอกันอยู่ ยังไม่สมบัติจริงๆเจีวิธีการเคลื่อนไหวนี่มีมากย่างอื่นมีมาก่อนพุษโทมีมากสัษนาระหังมีมาก่อ น, อนยุบหนอผองหนอแต่ว่าไม่ค่อยเจริญอยู่บางทยไปเจริญอยู่นู่น มาไทยตนเหนือตอนบนฝั่งลาวประเทศลาวไปนู่นมีหนดดือเชดโดหาสีจันจนมาถึงหลวงพอ่ อ, อ, อ, งพอเทียนก็ก็ยุคหลวงพ่อเทียนก็ร้อยปีบุกปก่วมาแล้ว2 0งรอยปีมาแล้วตั้งแต่ รู้เรื่องเรื่องนี้เรื่องกรรมฐานนี่ไม่ใช่เรามาคิดทำกันเองผู้ที่ฝึกตนสอนตนมีจิต ด, ดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันก็จะได้คำตอบใช่ได้จริงๆ เป็นประโยชน์เมื่อมีกายมีใจเรามีสติอย่างนี้แล้วก็เกิดมาเกิดผลขึ้นมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ใครๆก็เคยหลงใคยๆก็เคยทุกข์ใครๆก็เคยโกรธเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะความพัดภาจาก ของที่ไม่จริงไม่ใช่ตัวตนก็ยังเป็นทุกข์ไม่มีทางออกเวลาหลงก็หลงเวลาโกรธก็โกรธเวลาทุกข์ก็ทุกข์ออกไม่เป็นเลยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนตายแม้จะตายก็ยั ง, ยกยงโกรอยู่ถึงยอดคนหนึ่ง เห็นโลกมันเล็งท้องตับแข็งท้องบวมขึ้นไปดูก็ไปไปดูก็ด่าครไปดูก็ดา่ไดดาไม่อยากให้มาดูมึงมาทำไมไล่คนที่ไปดูหนีโกรธอยู่นั่นคอยดา่าคอยกดธนักคนอยู่เช่นนั้น จนไม่มีใครอยากไปดูเลยไม่อยากให้มาดูมาดูทําไมด่าอยู่จนโกรธจนตายทุกข์จนตายหลงจนตายเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มค่าแล้วในความหลงมันก็มีความไม่หลงอยู่ในความโกรธก็มีความไม่โกรธอยู่ ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ตลอดทั้งหนความแก่ก็มีความไม่แจออยู่ในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บอยู่ในความตายก็มีความไม่ตายอยู่มีกายมีใจถ้าฝึกมีสติอย่างนี้แล้วก็มีทางออกเหนือสิ่งเหล่านี้ได้เราไม่ควรประมาท เรื่องนี้ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอสิ่งที่ท่านทุกคนหนึ่งเขาไม่ทุกข์ก็มีในโลกนี้สิ่งที่ท่านโกรธคขาไม่โกรธก็มีในโลกนี้อยา่าลึกว่าเหมือนกันบุคคลผู้ที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้อดไม่ได้อยากช่วยเหลือชีวิตของคนมาก็เหมือนกัน มรูปมีนามมีกายมีใจไม่หัดได้เสียดายเวลาคนทุกข์เสีย ด, ดายเวลาคมทุกข์น่าจะใช่หัดใช้เราก็ช่วยไม่ได้มีแต่บอกขออดไว้ก่อนทนไว้ก่อนอย่าพึงอย่าพึงอย่าเรียบด่วนในเวลาทุกข์ในเวลาโกรธแล้วก็มาอยู่ แล้วก่อนในลูกก็ตีลูกถ้ามไม่ฟังวัาวมือคั่วไม้ไปก็ไม่อยู่แย่งที่ตีให้ได้คนโกรธกันฆ่ากันด่ากันก็เหมือนกันวัวจะหายโกรธรีบเกิดไปเหมืองกินไปดูวัดเว่ยหลางทียอดที่ กว่างจู ก, กว่างตุ้งอลไรเราก็มีทางเดินขึ้นเป็ น, นปันไดปูนไม่ชันนักลาดลาดไปมีคนกินผู้หญิงคนหนึ่งมือหนึ่งอุ้มลูกน้อยมือหนึ่ ง, งจุ้งแขนลูกอีกคนหนึ่งพอเดินได้ แล้วก็เด็กน้อยมันก็เหนื่อยแล้วก็ดึงแขนขึ้นไปมันก็ร้องให้มันดั้งลง้ลอกแขนขึ้นดึงขึ้นไปเด็กก็ไม่ขึ้นไม่ไหวมันก็ร้องให้แม่ยังเตะลูกล้มลงไปแล้วจะไปตีลูกอีกหลวงตาเลยเห็นกลานั่นเดินใกล้ๆกันเลยไปขวงกันไว้ยืนขวงไว้ จ, จับเด็กลูกขึ้นมาหันหลังให้แม่เขาบนน่นก็ขวงเด็กไว้ไม่ให้มันตีลูกดูมันเป็นขนาดนั้นอันทวาเได้โกรธแล้วแม่ไม่ลูกผิดลูกถูกไม่ลูกคนอื่นเขาเป็นอย่างไรเด็กมันก็เหนื่อยมันก็ล่องอแสดงความล่องเป็นการบอก มันพูดไม่เป็นมันก็ร้องไห้อ๋อเย็นๆรงก็เลยปล่อยให้เขาดูอีกเขาก็เลยค่อยมาจับมันก่ก็จับว่าจะอุ้มเด็กขึ้นไปด้วยแต่ว่ากลั <c oughs> วจะดูไม่ดีพวกเขาก็อาจจะมีสามีจะหาว่าเรา อุ้มลูกเขาก็ผิดวิ่ไหนเหมือนกันอุ้มลูกเขาผิดเหมือนกันนะพระเนี่ยเป็นอย่างนั้นความโกรธความทุกข์ใครก็เคยทุกข์เคยโกรธเราจะปล่อยทิ้งไปอย่างนี้นะถ้าได้เปลี่ยนเลยนี่เวลามันหลงเปลี่ยนไม่หลงเวลามันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเวลามันทุกข์เป็นเปลี่ยนไม่ทุกข์เนี่ยมันดีจริงๆ มันไม่มีจริงๆคำว่าทุกเนี่ยคำว่าโกรธนี่ไม่มีจริงๆหล่ะไม่เบียดเบียนตนจริงๆเรื่องความทูกความโกรธความหลงเนแล้วก็มีเบียดเบียนคนอื่นจริงๆเด็ดลาดไปเลยเนี่เราจะอยู่ได้ความสงบร่มเย็นดีมันต้องเป็นส่วนมากคนเดียวมันไม่เพียงพอ จึงอยู่ไปได้จึงมาบอกมาสอนมาชวนกันมาอย่างนี้ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะศึกษาเรื่องนี้ท่องแท้ให้แก่มแจ้งได้นอกจากวิชากรรมฐานเท่านั้นกรรมฐานก็ซื่ อ, อตรงๆเนี่ยสมผัสอย่างนี้ มันเกิเราเชี่วอาหารละไรอี่าง้นที่ละคำรู้ที่ละรลู้กายก็มีใจก็มีกายเคลื่อนไหวใจก็รู้เออมีสติรู้ใจคิดนึกก็มีสติรู้ว่าว่าที่รู้เนี่ยมันใช่ได้จริงจรงู้จึกตัวรู้สึกตัวเนี่ย เมื่อรู้จักตัวไปในกายเป็นประจอมเมื่อรู้จักตัวไปในใจิตใจเป็นประจอมเหมืนมาแช่อยู่แค่เพียงร่วมรู้เมืนพัฒนาความรู้จักตัวเนี่ยมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาปัญญานเป็นมีมุดไปโน่นหรอ ให ม, มุดหน่อยน้อยสินก็กําจัดความทุกข์ได้ไม่มากแล้วก็สมาธิกําจัดความทุกข์ได้มากกว่าศินปัญญากําจัดความทุกข์ได้มากกว่าศินสมาธิมันก็เกลี้ยงไปเกลี้ยงไปเป็นใบมีดลดเกรดผ่านไปครั้งหนึ่งก็ยังไม่เรียบผ่านไปครั้งที่สองอาจจะเรียบ ป่านสองข้างสามข้างก็จจะเรียบร้อยขึ้นมาไม่มีคลื่นได้มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติกายกับใจถ้ามีสตินะหรือว่าเหมือนกับ ม, มันสังขารเหมือนกับตัวไหลคุ้นคิดในลมที่คุ้นคิด สังขารตัวนี้ขยันมันก็สติมันก็มันก็กรสอบใส่โยนลงไปในคลองน้ำที่มันไหลเวลามันคิดไปที่ใดก็รู้จักตัวมันก็โยนก็สอบใส่ลงไปในน้ำไหลแรงๆเขี้ยว แต่มันไม่ไปไหนก็สอบสายถ้าโยนลงไปก็อยู่นั่นแหละพ็ข้อยโยนลงไปเรื่อยๆโยนไปเรื่อยๆเอาไปมามันก็เต็มขึ้นมากาจะขวงน้ำได้กล้ก็ไหลไปทางอื่นได้เป็นประโยชน์เอาเข้านาเข้าที่ทำอยู่ทำกินได้เหมือนกับฝ่ายแม้ว แล้วก็ขว่งน้ำเพื่อจะเอาเข้านาเขาก็ไปได้จริงๆเป็นประโยชน์คอยขอเขาหล่อมเมื่อเกิดความรู้จึกตัวเนี่ยใจเขาหล่อมเมื่อเกิดความรู้จึกตัวเป็นประโยชน์แล้วก็เหมือนกับจริงเข้าอีกนั่นแหละเกินเข้าลงไปทีละคมมันไปไหนบ้างไปย่อยในกระเพาะก็มีกอาว่าเข้าก้องหรือเข้าต้ม ไปย่อยเนยกระเพาะเราข้าวขาวข้าวสวยอาจจะไปย่อยนะในลำไส้ลราเลือยไปไหนไปสู่เลือดสู่เนื้อมีพลังกำลังซ่อมแซมจุดสํารุดชุดโทมไปแต่ไม่เราไม่ชีวิตอยู่ได้เรากินข้าจริงๆมันไปหลายอย่างเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกำลังมังชา อาหารใจก็เหมือนกันสติเนี่ยไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถิ่นมันคืออะไรถิ่นก็กําจัดความชั่วความไม่ดีากลายเป็นมรรคเป็นผลไปอิมอิมได้ก็มีความเจอะก็ไม่มีความแจอผู้มีความตายก็ามามีความตายไปตรงโน้น จุดหมายปลายทางของธรรมมันก็พัฒนาไปหลุดพ้นมอะไรไม่รู้เห็นแล้วจึงมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้เรามีฉินฉินรักษามาหลายวันสมาธิช่วยมาหลายวันปัญญาช่วยมาหลายวัน มก็ต่างเกาไกลแล้วว่ะเนี่ยมองเค้นหลังไม่ได้เลยบางคนละเรื่องกันแล้ววะจะให้เป็นเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นไปไปได้แตรือว่าใจสูงก็รือว่าได้สะดวกที่แรกก็ง่ายที่จะหลงฝึกไปฝึกไปก็ง่ายที่จะไม่หลงอยากให้มันหลงก็ไม่หลงไหนทุกข์อยู่ที่ไหน คำว่าอะไเป็นทุกข์ล่ะมันไม่มีจริงๆไม่มีจริงจริงคำว่าทุกข์เนี่ยคำว่าหลงเนี่ยไม่มีจริง ๆ, หล ง, งๆหลงทําให้เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีจริงจริงเน่ยมันขนหัวลูกนาะมันก็เบื่อหน่อยจริงๆหลุดพ้นจริงจริการฝึกสตติเนี่ยเป็นได้ทุกคนปฏิบัติได้ให้ผลได้ ลองดูเวลามันหลงรู้สึกตัวนี่ทําได้ไม่ใช่ทั้งไม่ได้กลับมาหาที่ตั้งไปเนี่ยกรรมาฐานเนี่ย <c oughs> ที่ตั้งของกากระทำมันมีอยู่กลับมานี่มาตั้งอยู่ที่นี่ผู้เขนเข้ารู้จักตัวอยู่เนี่ยอย่าเขียนดอกรู้สึกตัวนี่กายปุกปีจริงๆสัพพัส ด, ด้จริงๆเอาเบือหวังเขาก็รู้อยู่เนี่ย แต่แคงเึ้นก็รู้อยู่เนี่ยเมื่อไปอื่นก็กลับมาลู่ตั้งไปเนี่ยมันเป็นของจริงนะเนี่ยได้เห็นของจริงได้เห็นของเท็จในข่าวเดียวกันเนี่ยเกรมหลงมันก็ไม่จริงมาเป็นความรู้แล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันก็มันจบตอนที่มันไม่ถูกต้มมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่เลือกเอาแล้วมันเลือกเป็นแล้วชีวิตมันเลือกเป็นแล้ว เป็นไปไหลเรื่อยไปก็ทุกคนก็ตอบได้ไม่มีคําถามใดๆตอบเลยทุกคนของจริงต้องไปอย่างนี้ของไม่จริงต้องถามกันของสมมุติต้องถามถามกันแต่บัญญัติเป็นส่วนตัวของไครของมัน ม, มันมีสมมุติมันมีบัญญัติมีวัตถุมีอาการมีปราติตในชีวิตของเราเนี่ยรวมหลงมันไม่จริงนะรวมไม่หลงมันจริงรวมทุกมันไม่จริงรวมไม่ทุกมันจริงมันจะเอาความไม่จริงได้ไม่ได้มันโชว์สองอันมีมาพร้อมกันสามารถเลือกได้ เลือกได้จริงๆชีวิตของเราเลยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริดถ้าเราไม่มีความรู้เป็นเกนขี้วัดมืดหลงก็มืดโกรธก็มืดทุกข์ก็มืดดีใจก็มืดเสียใจก็มืดเมื่อเมื่อเมื่อก็ทําผี่ทุกอย่างเสียเปลี่ยบความหลงเสียเปรียบความโกรธเสียเปลียบความทุกข์ ถ้ามืดแล้วเสียเปลียนความหลงเสียเปรียบความเกลียดชังเสียผู้เสียคนพบความรักเสียผู้เสียคนพบความโกรธมีเหมือนกันเสียชีวิตด้วยก็มีเสียสุขภาพด้วยก็มีเป็นการนใช้ชีวิตที่ผิดแล้วก็เบียดเบียนตนก็มีเบียดเบียนคนอื่นก็มี เกิดจิตตัวเราเนี่ยจึงบมาคุ้มของตัวเองมาดูตัวเองต่างคนต่างดูแลตัวเองคนเมื่อมีสติก็จะเป็นคนคนเดียวกันทันทีแล้วมันอัศจรรย์นนะสตินี่ทามันันเดียวกันหมด ผลชาติใดประเทศไหนเพศใดราษฎรใดถ้ามีติอันเดียวกันหมดความหลงกันเดียวกันหมดความทุกข์อันเดียวกันหมดความโกรธอันเดียวกันหมดตัอมีติก็เป็นคนคนเดียวกันหมดไป ก, ก็เปลี่ยนอะไรมาเป็นความรู้ความรู้ความรู้ก็มกไม่มีติเป็นคนแล้วคนพึ่งกันก็ไม่ได้แม้ตัวเขาก็เพ่งเขาไม่ได้ มีใจก็เพิ่งใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบางทีก็เอาคิดไปห้อยไปเฉินไปกับความคิดทั้งๆที่ไม่มีอะไรความคิดเนี่ยไม่เคยเห็นความคิดตัวเองคิดอะรก็คิดได้ไม่อยากคิดก็ยังคิดคิดจนนอนไม่หลับก็ยังคิดคิดจะเป็นทุกข์ก็ยังคิด เป็นรุปผู้ความคิดก็ยังมาคิดคิดแบบกัดตอดต้วยให้เจ็บปวดดังคิดอยู่เพราะไม่ใช่เหตุใช่ผลอะไรที่จะไปดูเรื่องนี้นอกจากสติเท่านั้นด้เห็นความคิดเป็นความลู่ไปหนึ่งข้างสองข้างว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้ลรืนีง พระพุทหมั่นเพลินทางจิตคือทงอย่างนี้คิดถึงพิภากลับมาลูกเจ็ดตัวเนี่ยเวลาต้นตๆพุทธกาลใครมีลูกก็คิดถึงลูกมีเมียก็คิดถึงเมียมีผัวก็คิดถึงผัวก็กลับมาเนี่ยทําไมจะไม่จิดมันก็เปรียบเทียบเป็นสมมูติ์บัญญัติเปียบเทียบขึ้นมา อันนั่นดีอันนี้ไม่ดีบัญญัติเอาสมมติเราสิ่งที่ดีมันก็ไม่ได้ไ ม, ไ, มไม่ไม่มก็ได้ไม่ไม่ได้ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่ไม่ดี <c oughs> เราไปบัญญัติเองนี <c oughs> ่รู้จริงสมมติบัญญัติเคองโลกครองเราด้วยสมบญญัติ บัญญัติสมมติเดาขึ้นมาชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบของอย่างเดียวเรียนแตงบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็แต ก, ยกแยกกันทีแรกันเป็นสามีปัญญาแตกแยกกันทิ้งกันฆ่ากันแล้วแต่สมมุติบัญญัติมันดุร้ายสมมุติบัญญัติเนี่ยหัดแย่งกันเยอะในโลกเดิมโลกเดิ ไม่ใช่ปรมาจาเมื่อใดมีสมมติบัญญัติของโลกหรอกเราก็อยู่ลําบากให้ลู้ปรมาจาซะมันอันเดียวกันแท้ๆหรือว่าบัญญัติไม่ใช่ของจริงอของที่เราบัญญัติขึ้นมาเป็นครัง้งเป็นคราวเป็นวัตถุเป็นนามธรรมในวัตเป็นวัตถุก็มี เป็นนามธรรมคือคิดขึ้นมาเองก็มีสมมุติขึ้นมาในความคิดในความลึกในความพอใจในความไม่พอใจต้นโตแล้วถอนลงมาถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาเเบื้องต้นเบื้องนี้ถอนลงมารู้จักตัวหรือว่าความเพียรกลับมารู้จักตัวจะกลับมารู้จักตัวจะกลับมากลับมาปฏิบัติคือกลับมากลับมาเนี่ย เนี่ยเนาะเอาตรงนี้เหรอเราหยุดหยุดการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ถ้าไม่กลับมารู้จักตัวมันไม่หนีจากโลกหรอกอยู่ในโลกนี่แหละตายก็ยังตายเจ็บก็เจ็บทุกข์ก็ทุกข์ความไม่เที่ยงก็เป็นทุกขความเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่เช่นนั้นถ้ากลับมารู้จักตัวเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นนิพพานไปเลยความเป็นทุกข์ก็เป็นนิพพานไปเลยเป็นทางแข่งบรรลุพระนิพพานไปเลย เมื่อใดเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานไปตรงนั่นแหละเห็นแล้วบัดนี้เห็นแล้วแต่ก่อนเครทุกข์เพราะความไม่เที่ยงบัดนี้ความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์แล้วใช้ไม่เที่ยงอย่างไรความเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์บัดนี้ใจความเป็นทุกข์เป็นสุขได้อย่างไงก็ไม่เอาและบัดนี้ออกบาแล้วก็โดดลงบ่าก็โดดตรงนี้ไปไกลนะกระโดดได้ตรงไตลักหนึ่ง กระโดดได้ดีที่สุดเลยสุดยอดก็ได้บางคนเราก่อจะกระโดดตรงนี้สุดยอดกรมนกุกทำไม่เป็นอะไรเล ย, ไ ม, เ ไ, ม ไ, มเยไม่เป็นอะไรกับความไม่เที่ยงไม่เป็นอะไรกับความเป็นทุกข์ไม่เป็นอะไรกับความไม่ใช่ตัวตนก็หลุดพ้นได้ถ้าถ้าดูจัดเจ็บไดดีจะเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ที่สุดกิจใจของเราตรงนี้นะ ไตะโอ่ะปัดทูปัดทูปัดทูปัดทูดทพุทธทนี่ตื่นตรงนี้ยอ๋อ น, น้ะได้ยินไหมเนี่ยฮ่าฮ่าอย่ามาเชื่อนะไปทำดูสมควรใจเวลา